ทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยเก้าสิบสาสภาวธรรมที่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปสอง จิตตะสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นรูปอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันที่ไม่เป็นรูปอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเก้าสิบสี่สภาวะธรรม ท, ที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนที่ขณนะสภาวะธรรมที่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรม ท, ที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะเก้าสิบห้า สภาวธรรมที่เป็น ร, รูปอาศัยสภาวธรรมที right. ่เป <Mighty> ็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นรูปและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นรูป และอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและอาศัยหัตถ์วัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองประตั้รูปอาศัยขันที่ไม่เป็นรูปและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ย่หนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนยเก้าสิบหเฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ อุปนิสัยปัจจัยมีสาวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระเสถวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนาเหตุกปัจใจเก้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุตุกะและถึงโมหะที่สหรฆ ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆ ด, ด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆ ด, ด้วยอุทจจะเกิดขึ้น เนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระพึงกำหนดว่าไม่มีเหตุ 2. ปัจจยปัจญจิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนยเก้าสิบนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอานอรมณปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตะรปัจจัยมีสามวาระณนะสมนันตรปัจจัยมีสามวาระ นอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระนปัชชาชาตะปัจใจมีเก้าวาระนอาศวณัปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีสองวาระ นามะฆาปัจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจญิยะจบสปัจจญานุโลมปัจญิยะเหตุทุกข์ภายในเก้าสอารมณปัจใจกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจใจมีเก้าวาระ ณอนันตร mm ะปัจจ nah ัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอาศวณปัจจัยมีเ้าวาระณกรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณสมบัติปัจจัยกับเตรตุปัจจัยมีสามวาระณวิยุติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจญญาจบสี่ปัจจญาปัจจนญาอนุโลมณเหตุทุกข์ในหนึ่งร้อารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระ สมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระอหารัปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระ ชานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนณติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจญิยานุโลมจบสาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ รูปีทุกขะสามปัจจยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจใจร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทำมหาภูตรูปหนึ่งเหมือนกับปฏิจะวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พระเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตจะสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวาระที่เหลือก็อย่างนี้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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและถึงทำขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สหรกุดด้วยจักขูวิญญาณและทำจักขายจตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึง ทำขันสองที่สหรกโคดเดืกกายวิญญาณขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองย่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยสเหตุปัจจัยมีก้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ อนันตรปัจจัยมีสามวาระสมานันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระอนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอเศวณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระและถึงมรคปัจจัยมีเก้าวาระสมปยุตตปัจจัยมีสาวาระ วิปยุตตาปัจัยมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจร้อยสี่สภาวธรรมที่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ธรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดข like oh ึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะโมหะที่สหรค้ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรค้ด้วยอุทจจะธรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยพึงเพิ่มปวัติการและปฏิสนธิการร้อยห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปละถึงในปฏิสนธิขณะโมหะที่สหโรควด้วิจิกิจฉาและที่สหรควดุอุทะจะทำขันที่สหโรควด้วิจิกิจฉาและที่สหรควดุอุทะจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นรูปทำสภาวะธรรมที่ไม่มเป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุฐานรูปทมขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง ในปฏนิสนธิขณะร้อยหกสภาวธรรมที่เป็นรูปทำสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปร rec, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พระนเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สหะรโครด้วยจกักรวิญญาณและทำจักรขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองที่สหรโครด้วยกายญาวิญญาณขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและทำปัทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะโมหะที่สหรโครด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรคดิอุทจจะทำขันที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคดิอุทจจะและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึง ทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ไม่เป็นรูปและทำมหาภูรรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสองปัจจะยะปั จ, จนียะสองสังคยาวาระสุท น, นายรอยเจณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระ ณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสมวาระนปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระณอาศวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชานะปัจจมีสี่วาระนมัคคะปัจจัยมี9ก้าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจียจบสปัจจญานุโลมปัจจี่ยเหตุทุกนายร้อยแปดณอรมะณะปัจใจกับเฮตุปัจจัยมีสามวาระย่อ เพิ่มเพิ่มทุกวาระนกรรมปัจปปจัาา ย, จ ม, ม, ยจ ม, นนจมีสามวาระนวิปากปัจจัยในเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจญญะจบสปัจญาปัจจญญานุโลมนเหตุทุกปณิรร้อยเก้า อารมณปั จ, จัจขับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มทุกวาระละถึงชาน ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะปัจจัยมีก้าวาระมัครปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีก้าวาระปัจจิยานุโลมจบนิจยะวาระเหมือนกับปัจญยวาระ ฟีทุกกะหสังสัตถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นร้อยสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดรกนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปละถึงเกิดรกนกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ น, นปัจจนิยะเป็นต้นและสัมปยุตตะวาระพึงเพิ่มไว้ทั้งหมดอย่างนี้มีเพียงวาระเดียวเท่านั้น 11. รูปรีทุกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังพวาระเหตุปัจจัย 111. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นรูป เป็นปัจจัยแก่ส um. <ucking> ัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน และจิตอามุทานรูปโดยเหตุตุปั จ, จในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัย1ิบสองสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุอิทินสีปุริสิน4ีชีวิติน4ีอาโปธาโกรลิงกราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสงคธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโดยอารมณะปะจัจใจโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจัยขันธ์ที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจใจัยสิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป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 โดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วพิจารณากิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่ไม่เป็นรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นรูปด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญจายตนะอากิรจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะขันธ์ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่อีที่วิทยานเจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากระมูปคขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย1้อสสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุและถึงโกลินกราหานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยทิ ป, ปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหาชาตาธิปติ อารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานย่อนิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่เป็นรูปให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป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 และจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อสิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอานันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดหลังๆภะละสมาบัติโดยอนตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยสะชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระ ในที่นี้ไม่มีฆาตนาอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยาปัจจัยมีเจดวาระในที่นี้ไม่มีฆาตนาอุ ป, ปนิสยาปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอุปนิสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณู ป, ปนิสยะและ ป, ก ป, ปะปกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยอุตุ โพชนะเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงอุตุโภชนะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สัตตาภะละสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยอันันตรูปปาิสยและปะกรตูปนิสยาปะกระตูปนิสยะะายได้แก่ บุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาแล้วให้ทานอาศัยศีลทุกข์ทางกายแล้วให้ทานละถึงทำลายสงศ์ศรัทธาทุกข์ทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาภรละสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยร้อยสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาตและวัตถุปุเรชาต อารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุเกรวีนกราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทมณจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักรูฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณ กายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปโดยปุเรชาตะปัจจัยปัชฉาชาตะปัจใจร้อยสิบปสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยปัจชาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัชฉาชาตะปัจจใจอาใจวะณะปัจจัย ร้อสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดกลางๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณปัจจัยกรรมปัจจัยร้อยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชะตาและนานาคเนกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขันโดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนเทขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นวิบากโดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมทีท่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกสหชาตะได้แก่ เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุฐารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูป เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตสตสมุทานรูปโดยกรรมปัจใจัยในปฏิ ส, สนธิขณะนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากและกะตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยและอาหาระปัจจัยร้อยี่สิเอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยวิปากะปัจจัยมีสามวาระ ส apers. ภาวะธรรมที imagine, いい product, así, wow. okay. ่เป well, ็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปโดยอาหารปัจจัยได้แก่เกวริงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยรยสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปโดยอินทรียปัจจัยได้แก่ รูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปจ mundial, ัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอินทรียปัจจัยได้แก่จักขุนซีเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายินรีเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จากขลุนสีและจากขรวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคปด้วยจากขรวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละถึงกายินสีชาณะปัจจัยเป็นต้นร้อยี่สิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยชาณปัจจัยมีสามวระ เป็นปัจจัยโดยมครค่าปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมยุญตระปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัย124ยสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและบุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูป โดยวิบยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักรยายตนะเป็นปัจจัยแข่จักรวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแขกกายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที <us <us> ่เป uh ็นร uh ูปโดยวิบย uh ุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ ขันที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น 25. สาภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยอัิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรมเกลืงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปปัจจิวตินสีเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอัติปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหัวใจวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกรุิงกราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขู ฟัง tama, เสียงด้วยที่ประสงค์ธาตุรูปายตนะเป็นป no. ัจจัยแก่จักขรวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจากขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยร้อยยีสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป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 ประชาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแค่์กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแค่ขันสามและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองในปฏิสนธิขณะร้อยี่สิเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่าง ja คือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปและมหาภูตุรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ja ในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปและโกลเลนกราหาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปและรูปปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สรโรโคด้วยจักรวิญญาณและจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองที่จะหัรบโคด้วยก า, ายวิญญาณละถึงขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและอาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปและอาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามละถึงขันสองเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาวิคตาปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทธนัยยี่สปเหตุปัจจัยมีสวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสะชาตะปัจจัยมีเจดวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระอุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอเจวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหาระปัจใจมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ มัคปับัยมีสามวาระสัมพยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนุโลมจบสองปัชนียุทธาระร้อยี่สิบเสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูป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 สภาวะธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะ 2. ปัจยะปัจนิยะ 2. สังคยาวาระสุท้นยร้อยสาสนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอารรมณปัจจัยมีเจดวาระนัอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนออนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระ ณสัมนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาตปัจจัยมีหกวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระณนิสิยปัจจัยมีหกวาระณอุปาณิสิยปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระละถึงณมัคคปัจจัยมีเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอธิปัจจัยมีสี่วาระ โนนาทิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระปัจญิยจก 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยเหตุทุกขะในร้อยสามอ็นอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยะเภตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจญยะจบสปัจญะปัจญญานุโลมณเหตุทุกขไน ร้อยสามสิบสองอารมณะปัจจัยคำน้าเหตุกปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาร ะ, จจาระพึงเพิ่มอนุโลมมาติกาอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระปัจจยอนุโลมจบรูปีทุกขะจบ